สิ่งที่โลกตัวที่สุดที่ความตายไม่ว่าโลกไหนทวีดใดไม่ว่าจ่างว่าบุคคลกลัวกันทั้งนั้นโดยไม่เรียนวิชาจากโรงน้อมเรียนไม่มีใครสอน เรื่องความตายเป็นภัยอย่างนั้นหนึ่นความทุกข์ที่จะเป็นเหตุให้ถึงตายเป็นภัยอย่างนั้นหนึ่งแลมีภสองอย่างนเ น, น, นแต่จับก็ยังชาบและเชืือกันมนุษย์เรายิ่งเกลือมา ก, กาจะจับอีกเกลือจนหาที่กลมที่วางไม่ได้เกลือตกต้นไม้จนถึงกับต้องต่อยกิ่งไม้ตกลงมา ทื่ไม่มีสติสตงังจะเกะจะมีกินไหนไว้พอส่งตัวเพื่อความปลไดภัยไม่ให้ตกแทนที่จะเป็นอย่างนั้นกลับตัวจะเป็นตัวอ่อนเปนมือไม้อ่อนกันปล่อยกินไม้จนตกังมาตายเพื่อถึงได้สี่ที่สามคือการเปลีนไป อันโรคที่เกิดขึ้นภายในร่างกายเราก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ไม่เหมือนใจที่คอยจะส่งเสริมยุ่ยแย่หาพิษไทยเข้ามายุ่งควนนี่ส่งเสริมความทุกข์ให้มากที่อันนี้สำคัญอยู่นะ ถล้ำพังความเจ็บปวดธรรมนาของร่างกายจิตใจไม่เข้าไปแทรกส่งเสริมเนี่ยนั่นเน่ยนียุ่ยเะก่อความต่างความทุกข์ก็ไม่รุนแรงทุกข์กระทุกเทียร่างกายไม่ทุกถึงต่งแต่พอใจเป็นตัวการเพราะนั้นทุกใจยิ่งมากกว่าทุกส่วนร่างกายทุกเมื่อใจเป็นตัวทุกตัวเอง เขาไม่ทราบจะอาศัยอะไรร่างกายทั้งย่างไม่มีที่บังเท่าเพราะใจเป็นผู้ทำลายทำให้โรคกำเริบมากขึ้นบางรายถึงวัดตายไม่มีสติสตงังไปก็มีแยะจซึ่งเหล่านี้ เคมีประจําจัดว์ขงขานมาเป็นเวลานาจนไม่สามารถจะนับอ่านได้ว่านานเท่าไรโลกก็ยังมีความกลัวตายไม่จืดจาง ท, ง, ทงทั้งที่เคยเกิด เ, เคยตายมาแล้วกี่กับกี่กันน่าจะมีความเคยชินกับสิ่งนี้พร้อมมีอุบายวิธีที่จิจารณาเพื่อลดกลิ่นกันได้บ้าง เพาะไม่ปอยให้ความกลัวทุกข์เหยียบย่ําอยู่โดยลำดับ ย, ยิ่งกว่าทุกข์เหยียบย่ำทำําลายเราความกลัวทุกข์ความกลัวตายเป็นทุกข์อันใหญ่หลวงยิ่งกว่าทุกข์ธรรมดาที่เกิดขึ้นภายในชาติในภพเพราะความทุกข์อันนี้มีกินส่งเสริม ให้เป็นไปเราเป็นนักปฏิบัติเป็นพุทธศาสนิกชนอย่าลืมคำว่าพุทธังธรรมังสังขังแทนังขามามซึ่งเป็นหลักใจของเราที่ฝากเป็นฝากตายนับตั้งแต่การรู้จักเยียนสาภาวะและรู้เรื่องของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาโดยตจนกระทั่งปัจจุบันนี้ พระพุทธเจ้าไม่ได้ประสบไม่ได้พระเชิญสิ่เหล่านี้มาอย่างเต็มท่าไทยด้ว ค, ความประจักษ์แล้วจะนำอะไรมาสอนโลกล่ะความทุกข์ไม่ว่าทุกข์ในแง่ใดพระพุทธเจ้าคงกระเชิญมาผ่าแล้ว แล้วท่านแก้ไขลบปีด้วยอุบายวิธีใดท่านถึงเป็นไปด้วยความรเรษทั้งหลายแมขณะจะปรินิพานก็ทรงรักษากับภาษาวกทั้งหลายอยู่อย่างธรรมดาธรมรมนามเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นภายในข้าจริระของพระ ถ้าเป็นคนเราธรรมดาก็มีแต่เรื่องความโกประว่าและสัง่งาสายทึ้งเมื่อทิ่งตัวหมดสติสตังบนเพ่อละเมอไปต่างๆเหมือ น, นคนบ้าเราดีๆนี่เองในขณะนั้นส่วนพระพุทธเจ้าไม่ทรงเป็นอย่างนั้นไม่ทรงละลวดลายแห่งความเป็นสัสธรของโลกยูยแง่นิดเดียว ขณะที่กาลังประชวนหนักๆมีพรามแก่คนหนักอยากจะเข้าไปทูล ถ, ถามปัญหาพ ร, ระพุทธเจ้าถูกพระอนุญาห้ามไว้ไม่อยากให้รบกวนพระองค์ทรงแล้วความลำบากมากยิ่งกว่าเท่าที่เป็นอยู่ซึ่งก็มากอยู่พอแล้ว เมื่อพระองค์ทรงทราบเท่านั้นก็รับสั่งให้เข้าเข้าทันทีนึ่และประธานพระอว่าดยยยอดแจ่พรามแจกตรงนั้นพยายามประพฤติปฏิบัติกรรมจัดกิเลสซึ่งเป็นตัวข่าศึกอันใหญ่หลวงภายในวัฏจักรซึ่งมีอยู่ในหัวใจเรามีให้หมดซึ่งไปในคืนวันนี้ แป็งคู่เคียงกันกับการปฏริทานของเราวตถาคตซึ่งจะเป็นไปในคืนวันนี้แน่นอนขณะที่เรานิพนานกับปัจฉิมสาวกให้เกิดขึ้นขึ้นในระยะเดียวกันรีบออกไปปฏิความเพนเพียน เ, เดี๋ยวนี้และรับสั่งให้พระอนุ์บวชให้แล้วก็ อ, ออกไปวันเพนเพียน อยู่นอกพระวิหารโดยไม่ให้สนใจอะไรกับพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าธรรมที่จะทุงได้รู้ได้เห็นได้บรรลุในคืนวันนั้นเพื่อความเป็นสาวกองสุดท้ายของพระพุทธเจ้าจากนั้นแล้วก็เป็นปฉินมมโอวาตวาระสุดท้ายว่าขั้นบรรดาในพิเวยามันตยาในวิภู ระยะธรร ม, มสร้างข่าราธรรมมเดนะสร้างปาดีทดั้ง่กองทุ่จุดทั้งหลายบัด น, นี้เป็นวาระจุดท้ายเราเตือนเธอทั้งหลายสังขารทงามวดเป็นสิงที่เกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่อย่างประจำตัขอให้พิจรารณาสิ่งเหล่านี้ ให้รู้แจ้งห็นอ่เริเ่ความไม่จมาเกิดเท่านั้นก็ทรงทำหน้าที่ไปผ่านตั้งแต่แ บ, บัดนั้นต่อไปไม่ทรงรับสั่งอย่างใดอีกเลยและไม่ทรงหวั่นไหวต่อความล้มความตายใดๆที่โลกเัวกันอย่างมากมายเลยนี่คือศ า, าสดาของพวกเราท่านทรงดำเนงิน สอนทำก็สอนเพื่อให้รู้ความจริงซึ่งมีอยู่กับเราทุกคนให้เห็นความจริงของตนเพื่อจะไม่หวั่นไหวความหวั่นไหวคือความไม่เห็นความเต้นเครื่องหลอกตนเองสนดตกใจเสียอกเืียใจอยู่เรื่อยๆไปและเื่อยมา สวนพระพุทธเจ้าไม่มีอันใดที่พระองค์ถือว่าเป็นข้าศึกในขณะจะไปนิพพานทรงทาหน้าที่ไปนิพพานให้เต็มภูมิของความเป็นจากรดาสองโลกด้วยการทรงเข้าปฐมฌานทุติยฌาน ต, ตัตยฌานเ จ, จตุตฌานซึ่งเป็นรูปฌปานสินี่แล้วก็ออก เสด็จออกจากรูปฌานสี่นี้เข้าสู่อรูปฌานสี่คืออากาสาัญจายต น, นะอินญาัญจายต น, น, นะอากินัญญาจต น, นะเนสัญญาณนะสัญญาจต น, นะแล้ว9เข้าสู่สัญญาเวทานิตนโยรูดับสัญญาเวทนาทั้งหมู่ลงับ อาการของสมุติอย่างนั้นชั่วขณะดนมีพระสงฆ์บางองค์แต่แน่ใจว่าพระสงฆ์นั้นจะเป็นพระสาวกอรหรันแต่ท่านไม่มีความทํานามในทางนีน้จึงถามพระอนุทัศซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางประกิตรวิชาสามารถรู้จักวาลสิทิ์ของคนอื่นแม้ พระวาราจิตของพระพอษฐุจ้าก็ส่งสก็ทราบได้แล้วถามว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าประทีปทานหรือมพระอนุทะก็เลยชี้แจงให้ทราบย่างก่อนพระองค์ทรงเข้าฌานตั้งแต่ปฐมฌาน ถึงจตัวรานอันเป็นรูปฌานแล้วก้าวเข้าสู่อรูปฌานจนหมดทานนั้นแล้วก้าวเข้าพักอยู่ในสัญญาเวทายุตานิโรธขณะนี้ยังไม่มีผ่านพอถอยจากนั้นก็อถอยลงคงถอยลงมาโดยลาดับตั้งแต่เ น, ญญนญญสัญญานาสัญญาณิสันนะ ซึ่งเป็นรูปประชาจนถึงปฐมฌานอันเป็นรูปประชาลงถึงขั้นของพระจิตที่บริสุทธิ์โดยธรรมดาไม่เกี่ยวข้องกับฌานใดๆแล้วทรงก้าวเข้าฌ า, านพอผ่านเจตุทะฌานไปเท่านั้นก็เปินิพพาน นั้นเราเราพิจารณาดูเรื่องความละเอียดจนนอกสมมุติแล้วพระจิตของพระพุทธเจ้าเป็นพระจิตของาศาจดาเอกของโลกซึ่งเป็นพระจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีสมมุติใดๆเกีเ่ยวพนเเหตุใดพระอนุรุทธะ ซึ่งเ็เป็นพระสาวกอรหันองค์งและเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางพระยุตตวิชธคือรู้วราระจิตรู้จิตของคนอื่นสามารถทราบได้ทุกระยะที่พระองค์สเสด็จเข้าฌานนั่นๆ น, น, นั่นเนี่ยสิ่งนั้นแหละคือสิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่พระนุ พุทธได้เห็นด้วยญาณของท่านจากท่าจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าที่เสด็จพาดพิงกับฌานอันเป็นสมมติท่านนั้นๆพอก้าวออกจากสมมุติทั้งหมดแล้วแม้ธรรมชาตินั้นจะเป็นธรรมชาติ นั้นดูโดยสมบูรณ์ก็ต่างแต่ไม่มีสมมุติอันใดที่จะก็ไปพาดถึงพอที่จะยกออกมาพูดได้ถ้าอนุทะกมหมดความสามารถที่จะยกออกมาพูดให้ใครๆเฉเพาะอย่างยิ่งคือพระสงฆ์ซึ่งอยู่ในขณะนั้นทราบได้เหมือนคราวที่ท่านกำลังเหมือนขณะที่ท่านกำลัง ถ้าเด็เข้าชานอานนันนั้นคือไม่สามารถรู้ได้หรึ่ถ้าหากเราจะเทียบถึงเรื่องความมีอยู่ความสูญไปของจิตอีกแง่น่พอเป็นเครื่องพิสูจน์กันเราก็พอจะเข้าใจได้ในตอนนี้เพราพระจิตที่บริสุทธิ์นั้น หากศูนย์ไปจริงๆอะไรเสด็จเข้าฌานขั้นมนนั้นพรจิตของพระพุทธเจ้านันเป็นพระจิตที่บริสุทธิ์หากความบริสุทธิ์นั้นได้ศูนย์สิ้นไปแล้วในขณะที่ถึงความบริสุทธิ์ 1. พระองค์เอาอะไรมาสองสองโลก 2. ขณะไปนิพพานทำไมพระมุทะมังกลิ่นทราบว่า พระจิตของพระองค์เสด็จผ่านทางนั้นทางนั้ น, นอะไรเสด็จผ่านถ้าเป็นของไม่มีอยู่ไม่ปรากฏผ่านแต่ความปรากฏความมีอยู่นี้ไม่ใช่ความมีอยู่แบบสมมุติของโลกทั่วๆไปไม่ใช่ความปรากฏดังสมมุติของโลกทั่วๆไปหากเป็นความมีอยู่ความปรากฏของความบริสุทธิ์ที่เป็นวิสัยกับผู้บริสุทธิ์ จะพึงสามารถรู้กันได้เท่านั้น่แล้วเสด็จเข้าสู่ปริพาธ์โดยไม่มีความั่านพึงหวั่นไหวใดๆเลยนี่คือพุทธทางสันนัษฐ า, ามิของพวกเราคำว่าทำ ม, มังสันนงขฉามนี้ก็คือพระธรรมที่เป็นธรรมอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ทรงค้นพบ เรากราบไว่ว้ทุกวันทุกวันทุกคืนทุกเวลาพระสงฆ์สาวกก็คือท่านผู้ดีผ่านถึงขั้นความบริสุทธิ์แล้วเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ามีเป็นชนะของพวกเราททั้งสามพระองค์นี้ไม่มีไม่ทรงมีความหวั่นไหวต่อความล้มความตายความเจ็บไข้เลยปวดเจ็บนั้นปวดนี้ตื่นเต้นตกใจ เหมือนพวกเราทั้าซึ่งเปรียบเหมือนกระต่ายตื่นตูนมีแต่พวกกระต่ายด้วยกันตื่นตูนด้วยกันหาความจริงไม่ได้ความกลัวตายมักลัวจริงๆแต่อะไรมันตายไม่สามารถต้นสาเหตุหาสาเหตุมันได้ประจักษ์ใจพอที่จะเป็นเครื่องยินดัน ความรู้ความเห็นทั้งได้จึงทำให้มีความตื่นเต้นตกใจอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขยา่ากบฏวงจิตใจอยู่ตามหลับธรรมชาติของมันที่มีอยู่ตลอดเวลาเกีย่ยวกับเรื่องความประทุกตะพวนจิตใจของโลกเราเรียนธรรมะจึงต้องเรียนเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในสิ่งเหล่า น, นี้น เมื่อรู้จริงเห็นจริงอย่างประจักษ์ใจแล้วจะไม่มีอันใดเป็นเป็นค่าสุดต่อใจใจก็เป็นค่าสุดต่อสิ่งใดไม่มีสิ่งใดตําหนิไม่มีสิ่งใดชมสิ่งใดต่างอันต่างจริงมีความเสมอภาคกันด้วยความจริงนี่คือ ผ, ผู้เรียนความจริงซึ่งเป็นของมีอยู่ในโลกเห็นตามความจริงแล้วดู ตามความริงแสนสมยัยเรียนทำให้ถึงทำทำอยู่ที่เราเองทำฝ่ายเหตุทำฝ่ายผลสิ่งที่เตือนให้ทำากิดก็คือเรื่องความทุกข์ เรื่องสมเรื่องสมุทยัยความพุ้งโฟ้อหรวโง่ทำาเหตุที่จะเป็นเครื่องรู้สิ่งเหล่านี้ก็คือสติกับปัญญาหลังจากนั้นเวลาดำเนินงานก็คือศรัทธาความเพียรอันติความอดทนเป็นเครื่องสนับสนุนสติปัญญาที่ทำหน้าที่ พิจาร่าให้รู้จริงเห็นจริงในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นหินรับปัญญาไปเรื่อยๆปัญญามีความเดลียวฉลาดปัญญานี้ความคงคาหนาแน่นภายในตมไม่หวั่นไหวจิใตใจมีความแน่หนหนามั่นคงไม่หวั่นไหวต่อทุกข์้ายก็เพราะอาศาัยการพิจรารณาทุก ซึ่งเป็นของจริงด้วยสติปัญญาการกลัวทุกไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรถ้ากลัวไม่เรียนวิชาเพื่อหลบดพิหรือเพื่อรู้เท่าทันกับทุกกลัวเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ให้แก่ตัวเองไม่ไม่เกิดประโยชน์เราผู้เรียนธรรมะปฏิบัติธรรมะจึงควรคำหนึ่งถึงเหตุผลเรื่องความกลัวความกล้าว่าเกิดผลประโยชน์อย่างไรหรือไม่มากน้อยเท่าไร ผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรคำหนึ่งเหตุผลอย่างนี้ให้มากยิ่งกว่าก็าตายตื่นตูดโดยหาเหตุผลไม่ได้แล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรกลัวแต่ตายกลัวแต่เจ็บเจ็ะใช่กลัวแต่จะเป็นอย่างนั้นกลัวแต่จะเป็นอย่างนี้ความกลัวคือความทุกข์อันหนึ่งซึ่งเกิดมาจาก ความยุ่ยแย่กับความสองเจตสิกธรรม ท, ที่คิดยุ่งนั้นยุ่งนี่อยู่เรื่อยๆยุ่แย่เรื่อยๆทำให้เกิดความกลัวแล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นบาทั้งที่เกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะความกลัวก็ไม่เห็นพ้นจากทุกข์หนีจากทุกข์ไปได้รีีจากทุกข์ไปได้ต้องแบกทุกข์เต็มท่าเต็มแันเช่นเดียวกันถึงวาระตายก็ตายเหมือน แล้วตายแบบไม่ได้หนาได้แบบหลังไปด้วยถ้าตายแบบกลัวๆถ้าตายแบบกล้าเผชิญต่อความจริงแล้วเราจะเห็นความจริงจากทุกเราะเป็นหินลับสติปัญญาขา้างหลันมีความฉลาดและผม อถอนสิ่งที่ควรถอนถอนได้ด้วยสติปัญญาเป็นขั้นๆนจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดมาหลอกมาแย่ยุ่งทวนใจได้เลยมีท่านมาพ้นจากข้าสุกก็คือจิตที่พ้นจากสิ่งยั่วยวนตนเองนั่นแหละ เราจะไปวาดภาพอะไรให้นอกเหนือไปจากจิตใจที่กำลังหลอกหรืออะความวาดภาพคือความหลอกของผิตเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างดู่อย่างนั้นตลอดเวลาแต่ไม่เคยเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรเลยแม่เช่นนั้นเราก็ยังไม่เห็นโทษ แรงความหลอกลวงของกล้จต้องเชื่อมันอยู่เรื่อยๆจึงได้รับความทุกข์สู่ทอดกั็นมาเรื่อยและเพิ่มขึ้นไปทุกบะหาจุดหมายปลายทางที่จะได้หลักได้เกณฑ์มันเลยจะไม่เจอเลยเจอแต่สิ่งหลอกลวงต่อๆเพื่อความมั่นจัดให้ยกพุทธทางธรรมมังสะ낭พชามิขึ้นเป็นหลักใจพระเจ้า ทรงพิจารณาอะไรถึงได้หลุดพ้นจากที่หล อ, อาสวะพ้นจากความตายไ้่ต้อมาแบบมาห า, าเรื่องเกอดเรื่องตายอยู่ต่อไปกพิจารณาอย่างไรพุ ก, ก็ทราบแล้วว่าทุกจะหลบหลีกปีกหนีไปไหนเพราะอยู่กับตัวมีอยู่กับตัวนอกจากจะพิจารณาให้รู้เท่าทันด้วยสติปัญญา แล้วทุกข์ก็จะไม่สามารถซุมทราบถึงใจเทา้ารนจิตใจให้เดือดร้อนไปได้แม้ทุกข์จะเกิดจะมีมากเพีงยงไรภายในร่างกายจิตใจก็ยิ้มได้สบายเพราะไม่กระทบกระเทือนกันนี่คือหลักวิชาที่พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญและทรงรู้ทรงเห็นแล้วสั่สองโลก ในลําดับต่อมาท่านสอนอย่างนี้ทำให้สอนให้ตื่นกันแบบก็ต่ายตื่นตืนเพื่อะตือนความล้มคองมตายทั้งๆ ท, ท, ที่อยู่กับตัวนัง่งทับนอนทับทีละบททั้งสี่กอดกันกับความเจ็บความตายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังจะกลัวกันไม่ทราบจะกลัวแล้วจะหนีไปไหนควรพิจารณาทางเหตุผลบ้างหนีไปไหนก็ ก, ก็คือ อดทุกข์ไปนั่งอย่างแบกทุกข์ไปนั่งอย่าตอพิจารณาเห็นความจริงแล้วก็ปล่อยกันในจุดนั้นอยู่อย่างสะดวกสบายหายทุกข์หายกัวงวิดใจก็ไม่หมุนเนาะการพิจารณาพานาพิจารณาอย่างนี้สัจธรรมเป็นของสดสดร้อนๆมีอยู่กับทุกคน มันเรียวแรมไปไหนทุกที่สัตว์กลัวกันนั่งามากหลึงพ่พระพุทธเจ้าว่าเป็นสัจธรรมเรียวแลมไปไหนมันเต็มอยู่ในธาตุในขันเท่ากันสมุทัยคือความคิดความฟุ้งเฟอเ้อขอท่านว่า นั่นที่รางกะสหกษาตัดตรากินานตนีเซอร์ที่ด่างกล้ามศาสนาพุทธาสนานี่ล้วนแล้วตั้งแต่สมุทัยคือตัวกิเลสเป็นเครื่องผิดทุกข์ขึ้นมากพไม่เห็นเรียวแหลมไปหนนอกจากว่าถ้ามันขยายตัวไปได้เหมือนอย่างวัตถูอื่นๆแล้วโลกอันนี้จะทับไปด้วย ที่เของแต่ละคนละค น, คนและหาที่อยู่ไม่ได้มิแต่กิ่เละเต็มเต น, นี่มันเป็นนามมาทํามันจะมีตาบดดูเพียงแค่ในใจของัต่ละบุคคลแต่ละหลายหลเท้านั้นนอกจากว่ามันมากกว่านั้นแล้วมันก็ระบาดหรือระบายออกมาล้นฝั่งออกมาทางกายทํางวาจากให้กระทบกระเทือนขึ้นกันหนึ่งและทําการทั้ง ยุดาว่ากล่าวตลอดถึงการสังหารกันให้ล่มจมที่หายกรกเพาะที่เละตกเภศเหล่านี้มีเรี่ยวแรมไปไหนคำว่ามักได้จะทางพระโดนเดินให้ผลจากทุกและสมุทัยมีอะไรบ้าง ธรมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปโก็หมายถึงปัญญาความฉลาดความฉลาดแหลมคมฝึกฝนให้คมฝึกฝนให้ฉลาดเพราะปัญญาเป็นสิ่งที่ฝึกได้อบรมได้ให้มีความเฉลียวฉลาดรอบคอบได้หากเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่สอนสอนสติก็ฝึกได้ทําไมฝึกไม่ได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปร สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมาอาชีวการพูดศีเรื่องศีเรื่องคำเป็นวาจาชอบสัมมากัมมันโตทำการงานชอบอย่างฆร า, าวาก็ทำงานชอบตามหลักกฎหมายบ้านเมืองกำหนดธรรมเนียมประเพณีไม่ทำความอระทกตะเทพรนมิเกิดความเสียหายแกย่ผู้หนึ่งผู้ใดยเฉพาะสัมมากัมมันโต โยนเข้าไปทางด้านปฏิบัติของผู้ปฏิบัติสัมมากรรมันโตอยากคิดยุแยก่อควนตัวเองจะใ ห, ให้เป็นพิษเป็นภัยก็เท้าลงจิตใจเป็นอาหารไม่ดีอาหารเป็นพิษเป็นภัยทำใจให้กำเริบเนี่ยนี่คือสัมมากรรมันต ทางงานชอบก็คสแสวงหาสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อจิตใจเข้ามาบำรุงจิตใจอยาเสาะแสวงหายาพิษเข้ามาพอกหลานจิตใจเียกว่าสัมมากัมมันโตทำการงานชอบสัมมาวายโมเลี้ยงจิตชอบก็คื อ, คอการบำรุงจิตใจ ให้ถูกต้องโดยมีสติปัญญาเป็นเพื่อนเพคนหรือสัมมากรัมรมันตะในเบื้องต้นแลาจะแยกว่าทำงานโดยถูกถูกต้องสำหรับนักปฏิบัติพิจนารณาในเรื่องกายเวทนาจิตธรรมหรือองค์อเยสัตเรื่ อ, รรอสัมมากัมมันตะคิดให้ชอบนะสร ม, มาชีวะนะ นำอารมณ์แห่งธรรมที่ถูกที่ดีเข้ามาเป็นเครื่องบรรยงจิตใจให้ลัความสงบร่มเย็นนะธมาวายามะเพียนชอบคือเทียนละบาบบำเพ็ญกุศลเทียนละอกุศลคือความโง่ที่เคยสั่งผลทุกข์ขึ้นมาด้วยละด้วยความฉลาดถึงที่เกิดแล้วกะ พยายามกำจัดต่อไปที่ยังไม่เกิดจะให้เกิดสิ่งที่ความดีที่มีอยู่แล้วพยายามรักษาจะให้ขาดซู้ไปพวกทีกเ่ทเสียหายไปวันนั้นเล็กแตน้อยเดี๋ยวก็บำรุงอยู่เสมอสัมมาวายมะสัมมาสติสติที่ชอบกับสติรักษาใจเป็นอันดับแรก รู้อยู่กับใจเป็นอันดับแรกอันดับที่สองความเคลื่อนไหวไปมาพูดทางวาจา ก, กระทาทางกายหลวดสายมองขวามีสติรอบตัวน่สัมมาสตินี้ชอบแ้วไม่ใช่สติของคนที่จ้องไปฆ่าเขาด้วยสติขัดีประเภทนั้นไม่เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิ จะ ท, ทำใจให้สงบ่เย็นมีความแน่นหนามั่นคงสมาธินี้เป็นสมาธิฝ่ายเหตุก็มีสมาธิฝ่ายผลก็มีสมาธิฝ่ายเหตุคือ ต, ตั้งหน้าตั้งตาทํ า, าหน้าที่การงานของตนเข่นเรียนหนังสือก็ตั้งใจเรียนจริงๆจะให้จิตสายแสกไปที่อื่นๆขึ้นไร้สาระและกอบความข้องบนใจตนตั้งหน้าต่างตา มีจิตจดจ่อต่อเนื่องกันกันกบการทุกษาเราเดือยโดยสม่ำเสมอมีเรียกว่าัเรียกว่าสัมมาสมาธิเรียกว่าสมาธิส่วนเหตุคืองานที่เราทำสมาธิส่วนด้านทำก็ให้มีลักษณะเดียวกันคือตั้งหน้าตั้งตาทำดืวยความจริงความจัง ผลที่เป็นสมาธิอีกประเภทหนึ่งขึ้นมาคือความเย็นใจผลที่เกิดขึ้นจากสมาธิประการในการศึกษาแลรียนก็ทำให้เรามีความภาคภูมิใจเพราะเราทำงานเต็นเม็ดเต็นนี่ท่านเรียกว่ามรรคเหล่านี้แหละไม่มีเรียวแหลงไปทางนถ้าผู้ สั่งสมคือบำเพ็ญนักให้เจริญรุ่งเรืองอยู่เรื่อยๆมากยิ่งจะมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่เดินหนัะมักมีความจเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเพียงไรที่เรศอาชรประเภทต่างๆจะค่อยสยบตัวลงไปหมอบลงไปแล้วหมอบลงไปเป็นหมอบราบนี่โรดคือความดับทุกข์เมื่อดับที่ลงไปแล้วทุกข์ก็ดับไปเอง ทพรากิเลสนั้นเป็นสุ้ทัยดับได้ด้วยมรรคกิริยาแห่งทุกดับไปเพราะอำนาจแห่งมรรคนั้นท่านเรียกว่านิโรธคือความดับทุกดับไปโดยลําดับลำดับๆๆจนทั่งวาระสุด ท, ท้ายกิเลสดับโดยสิ้นเชิงนิโรธก็ทําทหน้าที่เต็มที่สุบเนื่องไปจากมรรคมรรคเป็นของสํางขัญมีเรียงแหล่งไปไะ แล้อยู่ในสถานที่ใดจีนจะต้องเรียกหรียอยู่กับคนเราเป็นคนทั้งคนเต็มบาทเต็มเต่งไม่ใช่เป็นคนขาดบาทขาดเต่งพอที่จะขาดสัจธรรมทั้งสิ่เฉพาะอย่างยิ่งสัจธรรมสองประเภทอันเป็นไข่บุกเบิกหรื อ, รอถอนกิเลสอาสวะได้แก่มากกับนีโรค พยายามสั่งสมให้โดยไม่นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายนี่เป็นธรรมไม่ขึ้นอยู่กับเพศใดๆทั้งนั้นคำว่ากิเีลสก็ไม่ขึ้นอยู่กับเพศใดไม่ได้ทั้งหญิงทั้งชายผู้แก้กิเลสจริงไม่จําเป็นต้องกําหนดเจาะจงถึงเพศถึงวัยอายนะพยายามแก้ถึงคนถึงนี่ละเป็นสิ่งที่ยืนยันเป็นสถานที่ยืนยัน มักผลุนผ่านดินยันกันตรงที่ร่างกายกับใจของเราพิจารณากันที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าก็พิจารณาตรงนี้รู้กับรู้ตรงนี้ดับกันตรงนี้พ้นจากทุกข์กับพ้นจากกลุนี้ทุกข์ไม่ได้เหยียบย่ําทําลายพระไตรของพระพุทธเจ้าอีกต่อไปเพราะความรู้เท่าทัน่างอันก็เลิกข่าสึกกัน ไม่ตึงค่าสุดต่อกันอีกแล้วเนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างต่างอันต่างกินไปโดยสมบูรณ์แนวเป็นนี้เนี่ยธรรมะของพระพธธุทธเจ้าจึงสดๆดร้อ น, อนไม่ว่านูน้นข้างโน้ น, ข, น, นข้างนี้ข้างโน้นเป็นต้นสมัยข้างนี้เป็นปลายสมัยข้างโน้น มรรคผลนิพพานดกหนานาค้างนี้เรียวแหลมไม่ใช่อย่างนั้นดกหนาก็ดกหนาด้วยกันสาหรับผู้ที่ตั้งหน้าบำเพ็ญมรรคผลนิพพานกระดกหนาได้เราทําให้ดกให้หนาได้ทำก็ดกหนาได้เราทําให้เรียวแหลมก็เรียวแหลมแต่ได้มรรคผลนิพพานแต่สิ่งที่จะดกหนาขึ้นมาแทนมรรคผลนิพพานก็คือกิเลสกองทุกข์ไง เราจะเอาส่วนเอาฝ่ายไหนเราก็พิจานานเราเองพยายามแก้ไขตนเองอยา่อาตำมั่งอย่านอนใจยอยา่าตำหนิติีเตียนอา น, นาจวาสนาของตนพยายามส่งเสริมอํา น, นาจวาสนาของเราขึ้นให้มากส่วนไหนเห็นว่าบุกท่องให้พยายาม บำรุงส่วนที่บกทร่องนั้นแล้วจะค่อยสมบูรณ์ขึ้นมาโดยดับไม่ใช่ส่วนบกทร่องนั้นจะสมบูรณ์ขึ้นมาด้วยการดำมีติเตียนแต่สมบูรณ์ขึ้นมาด้วยการบำรุงความรู้ว่าตนมีวาสนาน้อยก็ถูกแล้วถ้าหากว่าเราเป็นว่ามีวาสนามากอย่างพระพุทธเจ้าก็เราก็เป็นพระพุทธเจ้าไปแล้วนี่เราเป็นลูกศิษย์พระพทุทธเจ้า เราก็ต้องดำเนินแบบิีมีอครเวลาจะบำเพ็ญความดีก็ดำหนิตนเองมากวาสนาน้อยวาสนาน้อยเสียอย่างนั้นแต่เวลามันจะคิดทะเลถลายออกนอกลูก่นอกทางมันไม่คำหนึ่งถึงวาสนาน้อยหรือมากเลยนี่สิมันแพ้กิเลสตรงนี้ฉนั้นต้องพยายามแก้กจุดนี้ให้ได้ ถ้าแก้ไม่ได้จะแพ้เขาถ้าเป็นนักมวยก็แพ้ตรงนี้เมื่อแก้ไม้มวยเขาไม่ตกแก้เพ่งมวยเขาไม่ตกเพลงใดเพ่งนั้นแหละจะเป็นค่าสุกต่อเราเราจะแพ้เขาเพลงนั่นเองถ้าแก้ตกก็หลุดไปได้นี่เราแก้กิเลสตรงไหนที่ไม่ไม่ตกก็กิดประเภทนั้นแหละจะมาเป็นค่าสึกต่อเรานี่ พิจารณาอย่างนี้ครั้งพุทธการกับท้งนี้ก็เป็นสัจธรรมอันเดียวกันไม่มีอะไรแตกต่างกันพูดถึงมรรคก็อันเดียวกันนิโรธก็อันเดียวกัน ท, กทุกขโมหไทยก็อันเดียวกันดูในบุคคลคนเดียวกันไม่มีอะไรคิดแปกแตกต่างกันไปเลยเราเข้าใจอย่างนี้อยู่ที่ตรงนี้แก้ที่ตรงนี้ ใหรู้ให้เห็นใจเราปกติชอบคิดยุ่งต้องอาศัยพี่เลี้ยงคือสติเขาประครับประคองหนักบ้างเบาบ้างเราก็ยอมรับเพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบใจของหลักเวลาฝืนก็ฝืนกันบ้างถึงเรียกว่าคนงานคนทำงาน ฝืนตากแดดตากฝนบ้างคนทํางานควรจะตากแดดก็ต้องตากควรตากฝนก็ต้องตากควรจะทํางานอยู่ในร่มก็ถอันนี้ก็เหมือนกันควรจะฝืนแบบไหนอิญญาณบทใดก็ฝืนฝืนตัวแก้กีเลสฝืนตัวบํารุงยึดอนนานาจลักษณะของตนให้มีความสามารถแก่กล้าฝืนไปเอถอะไม่ฝืน มีกำไรไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มผนเพราะความสูงความอุตสาหะคืออย่างอยากทำท่านขงกาวไว้แล้วว่าเย็นยนรุกขมัตเจติแน่คนจะพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะความทาเทียดถ้าไม่บอกว่าคนจะพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะความอ่อนแอความขี้เกียดความตระหนี่จีเยนวาสนาของตน พวกนี้พวกจอมพ้นทุกข์ก่อนเพื่อนทั้งหมดพระองค์ไม่เห็นว่านะแต่เ้เาชอบจะเอาทําบทนี้เ่มาประดับตึว่าจะภานนาแล้วก็หัวศาสนาหนะ้องพอจะขี้เกียจล้มไม่เป็นข้าแล้วก็ไม่คำนุงชุงวาศาสนาพานจึงแพ้เรื่อยไปขึ้นเวทีไม่ขึ้นเวทีก็แพ้ แพ้ไปเรื่อยคิดพระพุทธ เ, เจ้าไม่ใช่ผูแ้แพ้หรือผู้ชนะเพราะงั้นจงเอาชนะไปเรื่อยๆชนะสิ่งที่มันหลอกลวงภ า, ายในจิตใจของเราใเป็นของสำคัญใจไม่ตายอย่าลืมคานี้นี่เป็นแก่นของศาสนาใจเป็นสาระสำคัญมาก ไม่มีคําว่าปา่าช้าจะมีแต่เพียงธาสิ่งน้ำหนุงไปเท่านั้นที่ต่ายจะเป็นปัาช้าเขาเชื่เเงเขาคิดเขาเรียกปา่าช้าใจไม่มีปาัาช้าเป็นแต่เพียงว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องปกคุมหุ่มห้อมีอยู่อย่างไรก็เป็นประจาานั้นเพราะไม่มีกําลังภายในตัวเองที่จะสลัดปัดทิ้งสิ่ง น, นั้นไปได้ นอกจากอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่องส่งเสริมมีควมันมีกำลังแล้วสลัดถึงนั้นได้ด้วยสติปัญญาตัดทาความเขียนอย่าลืมบทนี้อีกนั่นแหละการเรียนทำตัก็องนังนคือ